بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا ل ش ر ف ا ل أ ن م ي ا ء والمرسلين ن ب ي ن ا محمدٍ وعليه ى وصحبه أجمعين ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر َ ب َّ و ب ا ل إ س ل ا م د ي ن َ و َ ب م ح م د ٍ ر س و ل ة รับชั ح วใ صدر ิวยิสิริอ ر มล ا วัลห ق ักดะต์มิล ي สั الل د ิยัฟกห์ ل ขาโวุลิ ي ัลลอฮุม ق ฟกห์เขา ل ع ل ي م เขาจ ين วินอัลล ا ل ุมะอิ ا นาณะ ا ัสอัลูก ا ยม์ม و นนาฟีอันวาริสกั ل ทายิ ي ันว م าอัลมุตะคับบลายาอัลลอฮ์น์อัลามีนบิสมิลลาฮิล ا าดิลั ا ดุ ل ์ م ب ิ سم الله الذي لا يدرو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدرو مع م ه شيء ي الأرض ولا في السماء وهو ا ل س م ي س ل ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت อความสันติพระเมตตาความจริญความปราณีจาก Allah s u b h a n <t od ic> <t od ic> ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆ ท, ท่านวันนี้พี่น้องครับมีอาจารย์สองท่านนะครับเดี๋ยว<อ>เขาทำโปสเตอร์เห็นแล้ว เ, เห็นโปสเตอร์ลนะสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพี่น้องจะพบกับท่านอาจารย์ยูซุปงกาีนะก็จะมาบรรยายพิเศษ นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนนะที่กำลังจะมาถึงอธิบายดูดีละเราก็ยังเหมือนเดิมนะทุกสาวก็จะมีการเรียนกุรอานอยู่ในซูรอ h al anam al anam ตัวแรกเป็นตัวอาลีฟนะอันแล้วก็อามนะอายะ ที่สี่สิบนะครับอายะที่ี่สิบสุรออันอามจะพูดถึงเรื่องของหลักอากีดะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเป็นสุรอมักกี้เป็นสุรที่อัลลอฮ์สุบฮานหวตายและประทานลงมาก่อนที่ท่านนาบีของเราจะอพยพจะไม่ได้มีเรื่องหลักปฏิบัตินะครับเน้นเรื่องหลักศรัทธาให้ถูกต้องและก็ตอบโต้พวกมุชลิกีพวกที่ตั้งพาคีนะ เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮ่าอัลฟาติฮ่นะครับเป็นซูร้อนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะอ้าวุบิลลาฮิมินัลชัยตอนิรราชิม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم a l h a m ل ل l i l l a h i r o b b i l alamin a l r a h m a Miliki yau m i d d i n Ia y kanabudu wa ia y kanastain, Ihdin a s sirat al mustaqim. สิ ا ط ต الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م เ ن <c oughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ ل ตานอั ل รอ ن ิมคุลอา ا รอิตะคุมอินอาตักุมอาดับุล ل อฮ อีกรอบหนึ่งนะเสียงเก็บเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วยังเหลือเยอะสุดทายวที่แล้วหยุดไงวันนี้ปล่อยเต็มที er pues ่วันนี้ปล่อยเต็มที่อ่าอีกรอบหนึ่งกุลอะไรตะคุมอินอะตะกุมอาดาบุลลอ أوأتكم ت, ت مساعدة أغير الله تدعون إ ك ن ت م صادقين อีกรอบนึงนะเอาอาตัดอูอาตกุมสตุอาอาตักุมตอัไรรัลลอฮิตอินกลุมซาดีกน bal ُ y a hu tad'au na fayak shifu ma tad'au na i l ِ i َ ي y a k ชีฟุมาตด عون อ d d ลย ن อิชอาอัตสอุนัมตุชริกู ว่าตันเซอนามาอ่ากี่ไม่มีว่านะอ่าว่าอันแรกว่าตันเซออาอีอรอบหนึ่งนะครับเบลียาหูตะดูนาเฟย์กชิฟมาตะดูนาอีเลย ฟายักชี مَا ت َ د ด عون شَاءَ و َ ت َชชะَวะตะ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ا, إ ِ ل َ ى ่เล่าูแม่ไม่ไมิ فأخذناهم بالباسء ودررع إ, بال أ ل َ علهم ي ت َ ر ع و ن อ่านให้กระชับน <TF> ิดหนึ่งมันมียาวสองตัวนะบซาอิวดรอรอบหนึ่งฟอโคนาฮุมบิลบซาอิวดรออิละอัลลัฮุมยะตาดรออ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا و َ ل َ ك ِ ن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ไอ้รอบหนึ่งนะฟาลْุล่าอิจจาอหุมบُสุนัตด ا ร์รอَุาลากิอัลกัสตُกูลูบุหุมฟาลาَْุ่อิจจาอหَุบْ สุนัตดารร้างว่ดีมากครับวะเจียนละหุมชัยตานุมากนยมาลูน อะกีนะวะไซยาณนะไม่มีหน่วงเสียงนะอ่านเลยวะไซยานะละหุมุชัยตอนะรอบนึงวะไซยาณะละหุชัยตานมากนูยอมาลู ตรงไหนดีกุลิใชยนะโอเคแฝมาุษย์มดุกิรูบิฮิ فتحنا ع อ ي ه م أبواب กิรูบิฮิฟะตัฮ์นะฮ์ แต่ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ب غ ث ت ة, ه م فإذا هم مبليون بما أوتوا อา ذ ้อُั้นบ ت ดเดนฟั عة ฟ ب กุต ق ع م ا ل บ ي ن ุล م ้ ا ว ฮ ا ل ح م د لله رب العالمين อ่ะพ e, ี่น้องนะครับมาดูความหมายนะกุลจงกล่าวถธอมูฮัมมัดอารอไอตะกุมอินอตตกุมอาซาบุลลอ ตจงกล่าวตัวมูฮัมหมัดว่าเจ้าจะได้เห็นนะได้เห็นเลยเจ้าได้เห็นพวกพวกของพวกเจ้าเนี่ยมิใช่หรือหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาแลลงโทษมายังพวกเจ้าหรือวันกิยามะมายังพวกเจ้านะหรือวันกิยามะเนี่ยได้มาอยังพวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือที่ที่พวกนั้นจะขอวิงวอน ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันประการที่หนึ่งเลยครับว่าบรรดาพวกมุชลินที่ขอดูอาหรือขอวิงวอนต่อสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอ AH. ัลลอ์เวลาที่เขาถูกลงโทษในวันกิยามะเขาจะไม่ขอกับสิ่งอื่นนั้นเลยเขาก็ขอใครนะขอกับอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในดุนยา จะทุกจะจะโศกยังไงก็แล้วแต่จะประสบกับภัยบาลาเราก็ยกมือขออัอลลอฮ์แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาทําชีริกต่ออัลลอฮ์เวลาเขามีความทุกข์บางทีเขาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เขาไปนึกถึงอย่างอื่นอ่าบางคนเรียกชื่ออื่นเลยนะอย่างพวกขอโทษนาะชีอาเองก็กล่าวถึงชื่อบางชื่อยาฮุเซนเรียกยาคนนู้นยานี่ไม่ได้เรียกยาอัลลอฮ์เหมือนพวกเราวเราเรียกยาอลัลลอฮ์ ก็ไปผ่านสิ่งนูน้นสิ่งนี้นะซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอัลลอ์บอกว่าในวันกิยามะพวกนี้จะขอดูอา์ก่อนอัลลอฮ์และตรงนี้นะความเป็นพระเจ้าของอัลลอ์เนี่ยพระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีสิ่งใดไม่มีอำนาจใดมาบังคับพระองค์ได้แต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะทำตามอาเภอใจไม่ได้นะพวกเราเนี่ยถูกบังคับ บางคนบอกอาจารย์ฉันทำไมาได้มีบางคนที่เขาไม่นับถือศาสนาเนี่ยเขาก็ทําตามอิสระเสรีไม่จริงครับทุกคนถูกในอยู่ในข้อบงังคับหมดเช่นเวลาขับรถไม่มีใครหรอกพี่น้องขับมั่วสัวไปหมดก็เกิดอุบัติเหตุก็ต้องขับตามเลนคุณจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่พอขึ้นเมื่อคุณเข้าไปสู่ถนนคุณต้องอยู่ในกฎจราจรทั้งหมดจะไม่นับถือพระเจ้าหรือนับถือพระเจ้าขับรถต้องตามเลนเขาไม่งั้นตารวจก็จับเกิดอุบัติเหตุอีก นั้นทุกคนมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะยึดกฎเกณฑ์ไหนแต่ลอสซูบาห์นาหัวตาลลไม่มีสิ่งใดจะมาบังคับพระองค์ได้พระองค์ทรงกระทาตามที่พระองค์ทรงประสงค์ประการต่อมาและจะดำเนินกับสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ <c oughs> วิถีชีวิตของสัปปสัตสัปปสิงทั้งหลายสัตว์ต่างๆเวลาไปดูในสารคดี ทำไมไอ้ตัวผู้ขอโทษทีนะเวลามันมาทับตัวเมียเสร็จปั๊บมันก็ไปเลยมันก็ปล่อยให้ตัวเมียเลี้ยงเออนี่แหละวิถีของมันอัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นแบบนั้นอ่าไปโทษมันไม่ได้นะเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้ววงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆมันก็จะดําเนินตามนล้วสัตว์ตีหากินกลางคืนมันก็หากินกลางคืนกลางวันมันก็นอนสัตว์ตีหากินกลางวันอย่างเดียวกลางคืนมันก็นอนนะ เดินสีเท้ามันก็เดินสีเท้าอยู่ยงั้นแหละไอ้จิงโจ้มันกระโดดมันก็กระโดดอย่างนั้นแหละวันกิยามัตมันไม่เดินหรอกมันกระโดดยิงๆของมันอัลลอฮ์กำหนดให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดให้ไม่มีเหตุอะไรต้องไปถามทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้จิงโจ้เดินละ่ะเออทาไมให้ปลามันบินได้เหมือนนกอะไรเงี้ยนะอันนี้เราไม่มีสิทธิ์จะไปถามนี่คืออัลลอฮ์กำหนดให้นะต่อมาที่สอง อันที่สามไม่มีใครที่จะตําหนิการตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮ์ได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของอัลลอฮ์ไม่ได้ทําไมอัลลอฮ์ให้อบูตอเลบลงนรกทั้งๆ ท, ท, ที่ช่วยนบีมาตลอดคอยปกป้องนบีถ้าเราเอาสติปัญญาหุ่ยไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยเขามีความดีต้องไม่ให้เขาลงนรกแต่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับอิสลามอันนี้เป็นข้อคิดเลยนะ คุณจะทําดีขนาดไหนสมมติมีลูกคนหนึ่งไม่รับอิสลามทําดีกับมะพามะไปหาหมอเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ตลอดมีคําถามว่าลูกคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก็ลงนรกตลอดการด้วยเพราะไม่ได้รับอิสลามใตความดีนั่นก็คือความดีที่เขาจะได้ใน dunya เาลาเราให้ในญญอย่างเดียวพอตายไปจบเลยเพราะเขาทรยศก่อนล่ะขนาดคนดูแลนบียังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยอนะ เขาไม่ได้ศรัทธาของมันคือเขาไม่ได้ศรัทธาต่อหรอกแต่ตรงกันข้ามคนที่ทรยศคนที่เนรคุณพ่อแม่เขาก็ลงนรกเพราะเหตุที่เขาทำบาปแต่เขามีสิทธิ์ในการขึ้นสวรรค์เพราะเขาเป็นมุสลิมเขามี إ ي م านอ่านี่ต้องต้องคิดอย่างนี้นะสำคัญที่สุดคือเรื่องอีมา ن น, นะครับเอาต่อมาและพระองค์ทรงเป็นองค์เดียวเท่านั้น เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเลยองค์เดียวเลยดังนั้นเวลาที่เราขออุยกอรอไม่มีสิทธิ์เลยครับที่เราจะไปขอกับสิ่งอื่นสิ่งใด <c oughs> นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดๆสําหรับพระองค์อัลลอฮ์จึงบอกไงว่ายังมีสิ่งอื่นอีกเหรอที่เจ้าทั้งหลายจะไปขอดูอ า, ากับสิ่งนั้นหากพระเจ้าพูดจริงอิงกุลตุ้มซอดีกรีนบาลอียะหูตาดาอูน่เฟยักชิฟูมาตาดาอูน่อีเลหี อินชาห์วันเซวนะ์เนมาตุชริกูนหาไม่ได้เพราะองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขอ <c oughs> อ๋อผิดอันบิส <c> ม <oughs> <B ism illah> ิลลาอัลลอฮ์บอกแล้วนะไม่ได้นะจะไปขอสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้เหตสาเหตุที่เราขอสิ่งอื่นไม่ได้เพรานะอะไร เพราะไอ้สิ่งนั้นมันไม่มีอำนาจจริง่งมันเป็นอำนาจที่มนุษย์อุปโลงขึ้นเนาะออกไหมเฉินเคยพูไปแล้วไปสมัครงานกับยามอย่างเงี้ย CEO เขาอยู่ข้างบนไม่รู้เรื่องมาเดินสมัครกยามยามก็บอกอ๋อไม่รู้จะโดนไล่ออกมาไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาสมาัครชับนไม่มีอำนาจมันรับสมัครใครไม่ได้เพราะเขาไม่มีอำนาจเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งเหมือนกันนะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าหาไม่ได้เพราะเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พระเจ้าขอวิงบอลขอจะขอวิจจะขอดูอาและพระองค์จะทรงปด สิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนให้ความช่วยเหลือ <c oughs> <c oughs> หากพระ อ, องค์ทรงประสงค์และพวกเจ้าก็จะก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าทําให้เกิดภารคีขึ้น <c oughs> คืออย่างนี้พี่น้องนะอยายักกรฎานี้เนี่ยได้เล่าถึงกมลและเขาเข้าในกำมลสันดานของมนุษย์คือก้นบึ้งของหัวใจมนุษย์เนี่ยคนที่ไปสักการะสิ่งอื่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้ว ว่าไอสิ่งนั้นนะ่มันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่อาจจะด้วยกับถูกปลูกฝังมาในครอบครัวว่าอันนี้มันศักดิ์สิทธิ์บางคนทำยังไม่รู้เรื่องเลยเขาทำกันมาแต่ถึงเวลาที่เกิดความขับขันจริงๆชีวิตตั้งอยู่บนความเป็นความตายในในกุฎานบอกว่า a ฟเดมัสกูมุดดุรุฟิลบาและเมื่อมีภัยมาประสบในทะเลลองนึกสภาพนะ คนที่อยู่ในเรือกลางทะเลที่มองไปแล้วมาสุดหูลูกตามองแล้วไม่มีทางรอดเลยแล้วมีพายุถาถมเข้ามาเมื่อเรืออับปางลงยังไงก็ตายคือโอกาสรอดเนี่ยมันยากคือถ้าเรือจมได้เฉยแล้วมันมีพายุก็ไม่แน่อาจจะเกาะไอ้นู่นเกาะไอ้นี่ อ, อยู่แต่พายุในทะเลเนี่ยขึ้นมันกี่เมตรอะพี่น้องโอ้โหเป็นสิบเมตรเป็นมันถาถมยังไงก็เสียชีวิตในวันที่เขาอยู่ในเรือที่เจอกับพายุ ทุกคนจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจะนึกถึงนั้นเลยจะวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็จะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่นั่นแหละคืออัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้จักมันตาดูานอี อ, อ, <c oughs> อ, อินลาอียาจะขอต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไม่มีสิ่งไม่มีเขาไม่ขอสิ่งใดเลยเขาขออัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ขอกับพระเจ้า นะแล้วเาลารอก็จะปลดเปลื้องไอ้สิ่งที่อะไรสิ่งที่เขาอุปโลงขึ้นมาว่าเป็นเป็นพระเจ้าจอมปลอมออกไปนะครับอันเนี้ยแล้วก็ยักกุฎานี้ยังพูดต่อนะแล้วเวลามนุษย์เราเนี่ยพอเวลาขึ้นบกแล้วก็จะลืมพระองค์ไอ้ตอนนั้นนะโอ้โหเขาเรียกว่ามาเต็มความรู้สึกเอ๋ยขอสุดๆเลยอันเนี้ยทุกคนมีจริงนะเวลาที่เกิดวิกฤตสุดๆเนี่ยจะขอแบบเขาเรียกอะไรบริสุทธิ์เลยหัวใจบริสุทธิ์นั้น จึงไม่แปลกวันนั้นมีคนถามฉันบ่าอาจารย์อาดาบที่เอาล่อให้เห็นในโลกนี้เลยเนี่ยมีอะไรฉันก็บอกว่าก็มีเรื่องของเนรคุณพ่อแม่อันที่สองก็คืออาธรรมก็ถามเนี่ยคำว่าอาธรรมเนี่ยทำไมทำไมมันถึงแรงละ่ะก็เพราะคนที่เขาถูกอาธ ร, รมเนี่ยเวลาเขาขอก่อล่อเนี่ยเขาขอด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษาเขาบอกมีแรงอาคาต ด, ด้วยจริงไหมเขามีความอาคาตอยู่ในนั้นด้วยนะ เพราะเขาถูกกระทําถูกอาธรรมมีความเจ็บปวดน้ําตาไหลาบางคนดูอาด้วยความเจ็บปวดน้ําตาไหลออกมาแล้วเขาขอกอลล็อกถามว่าดูอาจะไม่ถูกตอบรับได้ไงเรียบร้อยเลยไอเราสิ้นเลยเป็นคนที่ไปอาธรรมเขาไปคดโกงเขาทําให้เขาสิ้นเนื้อบิดาตัวให้เขานั่นเขาขอกอลล็อกก็รับเลยอลล็อกก็เห็นในในโลกนี้เลยนะอ่ะ <c oughs> ต่อมาสี่สิบสอง ว่าละก็ดอาร์เซนอีละอุมามิมมิงกอบริกาและแท้จริงแล้วเนี่ยเราได้ส่งมายังประชาชาิก่อนหน้าเจ้าและเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแรงแค้นความเจ็บเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมตรงนี้เองเนี่ยอัลลได้ทดสอบไม่ว่าจะเป็นยาฮูดีนัสรรนีให้เกิดความยากจนให้เกิดความลำบาก จำได้ไหมยาฮูดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อาหารน้าตาลฟ้ามากินนกคุ้มกินสบายสุดท้ายพอเนรคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไปร่อนเร้ในทะเลทรายเกิดความลําบากนะแล้วก็เกิดโรคระบาดอันนี้โรคระบาดนี้ก็จะมาเวลาที่เกิดกลุ่มชนที่ทรยศอัลลอฮ์อีสอลลอฮ์ก็จะส่งโรคระบาดลงมานะและหลังจากนั้นพอเวลาเกิดเหตุเพศภัยปั๊บเกิดเลยขึ้น ทุกคนจะหันกลับมาขออูอรก่อนหรไม่ต้องอะไรมากไปตรงยกไกลอกตอนโควิดเ่บางคนไม่รู้จักอัสการ์ยามเช้ายามเย็นนะแต่พอเวลาช่วงโควิดมาเนี่ยก่อนออกจากบ้านนี่นั่งอ่านกันโอโ้ยอ่านกันไม่ขาดเลยแหละบิสมิลลาฮิลลาลยาดุรูมัสมีชายอยุมฟิตอาตเยโอโ้ยเพราะอะไรเพราะรู้ว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่รู้จะไปเจออะไรบ้างโรค โควิดพอไอ้นั่นกินปอดปับ๊บโอ้โหใจเสียแล้วใจแป้วขอมาอภัยนะช่วงหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกหวาดกลัวมากๆก็คือตอนกุรบันอยู่ปีหนึ่งที่ตรงกับโควิดทนายกรีมเนะี่ยแกเสียนะแกเป็นโควิดเสียตอนนั้นนะ่ก่อนที่แกจะเสียเนะี่ยแกมาทำที่เดียวกันฉันเนะ่ะทั้งกอดแกเลย <c oughs> กอดด้วยจับมือกอด แต่ใส่แมสก์เนี่ยสองสามชั้นนะแตก่กอดไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นโรคกันนะเหมือนถึงว่าเวลาเจอคนรู้จักเราก็ต้องแบบมักเข้าไปหาไปกอดพอทำกุระบงกุบบันเรียบร้อยแล้วอ้าวมีข่าวทนายไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ยุ่งเลยคนนี้เครียดกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรุ่นรุ่นแดงด้วยรุ่นแรกโควิดรุ่นแรกลงปอดอย่างเดียวทนายเสียเสียชีวิตแต่ทำด้วยละ ช่วงนั้นผมไม่มีอะไรเลยไม่เก็บตัวไม่พอดูอาอย่างเดียวอ่านกูอ่านเอาแหละถ้ากูตายก็นะอยู่กับกูอ่านแหละขอดูอาไปสุดท้ายก็หำดูแลไม่ได้ตรวจ ด, ด้วยไม่กล้าไปตรวจกลัว <c oughs> ตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนเลยรุ่นแรกอะ่ะวัคซีนยังไม่มีเลยรุ่นรุ่นลงปอดอะ <c oughs> อ่อฉีดไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้จําไม่ได้แล้วช่ไหมเหรอ <c oughs> <c oughs> เรามมีปัญหาอะไรเราวัคซีนอะไร เ, เนี่ย <c oughs> เอาเอาเป็นว่าเราขอดูอากับอัลลอฮ์ นะแล้วก็อลอสก็ให้จริงอั่รทมดีและววิงบอนข อ, อกับพระองค์เพราะช่วงนั้นฉันฉันกลัวมากเพราะว่าแต่เพราะมันลงปอดแล้วคนอ้วนๆ น, นะอย่างเงี้ยอันตรายมากไปเร็วเ อ, อก็เลยนําเรียนกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ส่งโรคมาเนี่ยเพื่อเตือนไอ้พวกยโสโอหังทั้งหลายให้ขอดุอากอนลอสเยอะๆเ อ, อ่ได้นอบน้อมปะงไงจะได้เลิกอวดดีสักทีนึงคิดว่าตัวเองแจ๋วตัวเองแน่ก็ ส่งโรคมาทีหนึ่งพอส่งโรคมาทีโควิดมาเท่านั้นแหละ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่โควิดนะนไม่ใช <c oughs> อนน่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้เสียงเยอะอ้าวอาลัลลอฮ์บอกต่อแล้วฉะนไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมอ่าฟาลาวลอีเดาจะ ส3สบสาแล้วสิ43อ่าอิาจาอาหุมบะซูนานี่งชะไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมเมื่อการลงโทษของเราได้มาอย่างขาเพราะอะไรรู้ไหมไอคนที่มันเจอขนาดนั้นแล้วมันยังไม่นึกยังไม่สำนึกอีกเนี่ยเพราะว uh um ่าแลกินกอเัตกูรูบฮุมเพราะหัวใจของพวกเขานั้นมันแข็งกระด้างยิ่งกว่าหินซะอีก อัลลอ์ส่งมาเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเ <ใน S 1> ยสฮากรอขอบมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอาเลยมุลแลอือเสียงดีเลยเนี่ยใช้ได้นะอัลทำจะเสียงดีเลยเพราะหัวใจคนนะ่ะมันแข็งกระด้างต่อให้อัลลอ์ส่งมาแล้วส่งมาอีกมันก็ยังไม่สำนึก ลองไปนั่งคุยกับคนที่มันดื้อดิไม่รู้กี่กี่เรื่องแล้ะกี่รอบแล้วมันโดนมามันก็ยังไม่สํานึกอยู่นั่นแหละย่างกลับไปทําเหมือนเดิมออกจากคุกมาแล้วก็ยังเข้าอีกเข้าอีกแหมก็หัวใจมันกระด้างอะ่ะมันไม่สํานึกแต่พี่น้องอย่าเพิ่งไปอะไรนะอย่าไปตัดสินเขานะเพราะไม่แ น, น่อาจจะสุดท้ายก็ได้มีรุ่นน้องฉันเนี่ยมันเข้าคุกอย่างกับบ้านนะ่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้วก็บอกเออมึงยังไม่ขิดลาบอยู่หรอวะตอนนี้น่าจะเหมือนบ้านแล้วแหละ คือเขาบอกงี้นะทฤษฎีการขังคุกนะมันจะกลัวเฉพาะสามเดือนแรกพอหลังจากสามเดือนไปแล้วเนี่ยปรับตัวได้คณิสบายมีอาหารให้กินทุกวันเลยมีที่ให้เดินเล่นบางคนติดเป็นสิบปีเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะเออจริงเพราะว่าอิสลามเราเนี่ยการขังเนี่ยจึงไม่ได้เป็นทางออกแต่ให้มีการลงโทษอ่บาบางคนเนขาก็การ้าเนี่ยเห็นไมเลี้ยงดีกว่าเราอีกมีอาหารใ้กินตลอด ดนั้นก็คือกลัวอิสรภาพมนุษย์เราเนี่ยแต่พอมันอยู่ไปนานๆมันชินมันปรับได้มนุษย์เราเนี่ยปรับได้ตอนแรกยัง อ, อึไม่ลงหรอกนอนเนี่ยไปเจอที่นอนแข็งๆนอนไม่ได้หรอกผ่านไปสักเดือนหนึ่งเขาที่นอนหลับสบายมนุษย์เราเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสัตว์ที่ปรับปรับตัวได้นะครับเอาล้อให้นะอ้าวต่อมาเพราะหัวใจเขาแข็งกระด้างและอันนี้สําคัญมาก ว่าใยาใละหุมุชชัยตอนมาแกนูยะมารูนชัยตอนมันไปทําไปสร้างไปสร้างภาพไอสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเนี่ยให้เป็นเรื่องที่สวยงามมองเรื่องคนผิดเพศเป็นเรื่องสูงเลยเพราะอะไรเพราะเป็นอิสระไม่ต้องอยู่ในกําหนดของเพศชายเพศหญิงฉันเนี่ยมองทะลุแล้วเป็นความรักที่สวยงามผู้หญิงก็รักกับผู้หญิงได้ผู้ชายกับผู้ชายก็รักกันได้ ใลาเป็นดูดีไปเลยนะเป็นคนพัฒนาแล้วที่ไหนได้สัตว์เดรัจฉานยังไม่ทําเลยใช่ไหมสมสู่กันเองเนี่ยเพศเดียวกันเนี่ยสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทําเลยแต่มองตัวเองว่าเป็นผู้สูงส่งแล้วโอ้โหเราเนี่ยหัวสมองเราไม่อยู่ในความอยู่ในเรื่องโบราณที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายทั้งเรานี่ผู้ชายกับผู้ชายก็ได้มองความรักพวกนี้ว่าสวยงามวันก่อนมีคลิป ไม่ใช่คลิปนะ BBC เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายสามคนใช้ชีวิตผัวเมียผมก็ไม่รู้ใครเป็นผัวเป็นเมียผู้ชายสามคนโอ้โหคำคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยความรักสวยงามความรักอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นมุสลิมเราเนะขอโทษนะมีเมียสองคนเนี่ยสายกระจายเลยโดนเล่นงานไอ้ของที่ทําได้มองเป็นเรื่องไม่ดีไอ้ของผิดมองว่าเป็นเรื่องสวยงามเนี่ยชัยตอนมันไปสร้างภาพให้มองแบบนั้น นะอย่าเป็นนะมุสลิมเราต้องมองอะไรที่ผิดก็คือเป็นผิดนะครับเอาต่อมาอมาการูยะมารูนแลี้ยพวกเขาก็กระทํากันเพราะเข้าใจว่าไอสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่มันสวยงามไงมันดีนะมันสวยงามมันเป็นมันเป็นอะไรนะมันเป็นการพัฒนาแล้วมันเป็นอิสระพัฒนาอะไรไม่รู้จเจริญอะไรของมันก็ไม่รู้เอาต่อมาสี่บสี่อัลลอฮ์บอกว่า ฟลัลละมานาซูมาซุกีรูบิฮิฟะตัฮ์นาอัลเลหิมอับบาวะบักุลีชัยอัลลอฮฺวะบัดครั้งเมื่อเขาลืมการถูกเตือนจากอัลลอฮฺไม่ได้เมือถึงอัลลอฮฺแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่น้องคนที่ไม่หันหันหลังให้อัลลอฮฺไม่สนใจแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะเปิดประตูให้กับเขาทุกอย่างเลยประตูอะไรรู้ไหมประตูแห่งการหลงเดินเริงเขาก็จะหลงไปยิ่งมีทรัพย์เยอะ เอาล็อก็ให้รวยเข้าไปอีกเพื่อจะมันได้ไม่ได้เต็มที่ใช้เงินไปในเรื่องสูรุย่รยซูได้ไปเที่ยวพับเที่ยวบ่เอาเห็ดเต็มที่เลยเขาเรียกว่าเปิดให้เต็มที่ดังนั้นอย่าไปหลงกลนะไอเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็เห็นค่ายาทําไมมันถอยรถใหม่ละเกินบ้านมันก็ทําใหญ่โตเอาล็อกเปิดไงเอาเห็ดเต็มที่สะสมความชั่วเข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องพอมันเพลินเสร็จ อีาฟาริฮูบีมาอูตูฟะอาฮ์นาหุมบักตะตันอัลลอฮ์ลงโทษแบบกระทันหันเลยคราวนี้ได้กลับตัวกับกับเนี้ยกับตัวไหมไม่มีมันมีสองแบบนะคนทําผิดแล้วอัลลอฮ์จัดการให้เห็นแล้วก็เขาได้กลับเนี้ยกับตัวนี้ดีกว่ากับอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่อัลลอฮ์ปล่อยเลยเปิดประตูของความล่าเริงเอาให้เต็มที่เลยและพอถึงเวลารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นไงตายเลว กับไม่กูไม่กลับเลยฟรีเดหุ่มโมบรีซูนเขาก็หมดหวังไม่มีหวังอะไรอีแล้วเพราะมันเพลินไงพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นบททดสอบให้เขาได้ชังักเลยทุกอย่างราบรื่นทั้งหมดการทำความชั่วเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรเลยมาขัดเขาไม่ให้เขาได้รู้สึกมันแย่เลยเห็นไหมถ้าฉันบางคนบอกเนี่ยถ้าฉันเป็นคนไม่ดีจริงเอาล่ะจะให้ฉันขนาดนี้เหรอ เห็นไหมยอดออเดอร์ยาบ้านี่เต็มไปหมดเลยดูมัน <c oughs> ดูมันพูดแหมก็นี่ไงเอาอาญานี้ไปอ่านบอกว่าไงฟัตาฮนอาอะไรอาบวาบากุลิชัยเอลลาลอให้หมดแล้วและเอาทีเดียวกระทันหันและกับคนนี้เสร็จเลยนะต่อมาสี่สิบห้าฟากูติอเดบิรุลกามินลาดีนอัลลาโและได้ถูกตัดขาดจนกระทั่งสุดท้ายคนสุดท้ายของคนที่อาธรมอัลลอ์ที่เหตุที่อัลลอ ไม่ให้อะไรให้ให้หมดเลยเนี่ยคืออะไรอัลลอฮฺไม่สนใจอะไรแล้วถ้าเป็นภาษาเขาเด็กตัดหางปล่อยวัดไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วหมดหนะลองคิดดูนะเราเป็นลูกเนี่ยสมมุติพ่อแม่บอกว่ามึงจะทําอะไรก็เอาเฮ้มึงอยากจะชั่วมึงให้เต็มที่เลยเนี่ยถามว่ามันเนี่ยเขารักเราไหมไอ้คําพูดเนี่ยเขารักเราไหมไม่รักเลยสิตัดใจแล้วสิมะ ตาใจแล้วเสียใจสุดๆแล้วไม่เอาแล้วมึงจะเป็นตายไรดียังไงช่างมึงเหอะเขารักไงแต่มันมันสุดแล้วไงมันสุดก็คือหมายถึงว่าไม่รู้จะแก้อะไรแล้วไงคนที่มันดื้อสุดๆเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะพ่อแม่บางคนเนี่ยคือไม่รู้จะหาวิธีไหนในการสอนแล้วมอบหมายก็ล้ออย่างเดียวเขารักทุกคนแบบเอาล้อก็รักมนุษย์ทุกคนนั่นแหละถามว่าเอาล้อต้องการที่จะให้ใครไปลงนรกหรือเปล่า แต่คนที่มันดื้อจริงๆเนี่ยเอาลอตก็ไม่มองแล้วไงไปเถอะสุดท้ายก็เดี๋ยวไปเจอกันในนรกเอาใจยังอ่ะคือคือไม่ไดีอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแต่เป็นแบบนั้นนะไอคนแบบนี้เนี่ยกูตี๋เอาลอตัดออกเลยอ่ะตัดออกเลยในความเมตตาอัลลอฮ์พอนบีอ่านอายะ ก, กุรานมาถึงตรงนี้วะฮัมดูลิลาฮิรบิญาละมีนขอบคุณอัลลอฮ์เลยว่าพวกเราไม่ได้เป็น คนที่อัลลอ์กล่ า, กาวมาก่อนหน้านี้เราอยู่ในสายตาของอัอลลอฮ์อัลลอ์ส่งบททดสอบมาเพื่อให้เรานั้นได้นอบนอบ้อมได้ขอดูอาของ อ, อัลลอฮ์เยอะๆยิ่งมีบททดสอบเยอะเราต้องขอดูอาเยอะนี่แหละคือพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในความเมตตาของอลัลลอ์สุบฮานาะฮูวตาลครับอ่ะจบนะ45อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อ46 47 48 49 ق ُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ กُลَะร ي ไอตุมอิ ن อ้ خذ الله سمعكم وأبصركم وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ م َ ن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ي َ أ ْ ت ِ ي ك ُ م بِهِ ว่าความตั้งมาในหัวใจของคุณมَนอิสลามไม่รู้หล่อที่คุณบี كيف نصر رفول آيات ثمهم يستفون جاهرو ยัรอนได้บักร์ตาเหรอเอาได้บักตาคุณจะรหมทานจะระมนะะมะาะ กุลอาเรอัยตะคุมอินอตาคุมอาดับอَลลอฮิบัลตะอุจจัَ ل ันฮัลยู แล ك ُ إ ِลَّ ا ا ل ْมَ و ْ م ُ الظَّالِمُونَ أ ท่ท่ท่ท่ท ه ท่ท่ท่ท่ท ل ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท่ท สิลุลมุซัลีน่าอิลลามุบัชช ي รีนาวมอดีรี วَาม์นُ ر สิลุลมุรสลีนั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่นั่น فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن َ آ م, و أ م ن و َ أصلح ََ فلا َ خوف عليهم َ ولا هم ُ يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسوهم العذاب بما كانوا يفكون ยัฟเนทอสตอฟะยัฟสุขุนไอรอบหนึ่งวะเลดีเนกะดะบูบีอายาตินะยาแมสซุฮุมุลกะดะบูบีมาคานูยัฟสุขุน มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถอมุฮัมมัดว่าอรออยตุ่มได้เห็นไหมได้พิจารณาดูไหมอรออยท่านได้เห็นบ้างไหมพวกเจ้าได้เห็นบ้างหรือไม่อัคจฮุซมอฮุอกุมว่าอบซอรอุมหากว่าอัลลอ์เนี่ย เอาหูเอาตาของพวกเจ้าออกไปพูดง่ายๆว่าถ้าเราเกิดมาและไม่มีหูไม่มีตาเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใช่ไหมเพราะว่าหูกับตาเนี่เป็นส่วนในการที่เราต้องเรียนลองนึกดูสิสมมติถ้าหูหนวกและตาบอดเนี่เราจะสอนคนนั้นยังไงสอนได้ปะ่ะสอนไม่ได้นะ บางคนบอกเอา้าวไม่พูดที่เข า, าได้ยินแหะกัหูหนวกอา้าแล้วไม่ทําให้เห็นละ่ะกับตาบอดถ้าเกิดมาแล้วหูหนวกตาบอดเนี่ยก็ถือว่าศาสนายกให้เลยไม่ต้องละมงไม่ต้องละหมาดเพราะไม่สามารถจะสอนได้เล้ยวหูกับตาเนี่ยแต่ถ้าหูใช้ได้ตาบอดอันนี้ยังต้องเรียนยังต้องเรียนนะสมมติาตาบอดแต่กําเนิดแต่หูได้ยินอันนี้ต้องเรียนยังต้องเรียนอยู่หรือหูหนวกแต่ตาดี ก็ยังต้องเรียนอยู่คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังใช้ได้เนี่ถือว่ายังเรียนแต่ว่าสมองนี่สําคัญสุดสมองเหมือนเดิมแต่คราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ตาไม่มีให้หูไม่มีเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็คงไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนไปรู้อะไรแต่มันหนักกว่านั้นอีกไอ้คนพวกเนี้ยต่อให้อัลลอฮ์เอาหูเอาตาไปเนี่ยแต่หัวใจของมันมันก็ไม่เอาอยู่ดี <c oughs> โอ้โหนี่หนักเลยนะอันนี้คือสุดๆดแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากุ้ม วะโอตมาและกูลูบิกุมอัลลอ์ก็ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกพวกเจ้าแล้วนะตรงนี้เองเนี่ยอาย่นี้เนี่ยบอกว่าขัดขวางไม่ให้ใช้ประโยชน์จากทั้งสองได้หมายถึงคนที่มีตามีหูดี แต่ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาและคำว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของเขาแล้วเนี่ยนะก็หมายถึงว่าในหัวใจเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกปิดกั้นอยู่ถูกปิดกั้นอยู่ว่าลามูอันละลอฮัายะฮูลูเบนัลมาริวลกลบิ ในสุราออันฟานอัลลอฮ์บอกเพิงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาอัลลอฮ์ปิดหัวใจเลยกั้นไว้ดวงตามองไม่เห็นสัจธรรมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากหัวใจที่มันมันเสียพี่น้องนะหัวใจมันไม่ดีคือบางคนเนี่ยมันจะมีนะคนที่ใจมันมันเฮียมมันก็จะเฮียมอยู่งั้นแหละมันเป็นเหมือนกับจิตใจของเขามันเป็นอย่างนั้น นะมันก็จะเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ผิดมนานะไอ้พวกนี้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือเอาไปประหารเพราะว่าอยู่แล้วก็ไปฆ่าคนมันมีพวกฆาตกรต่อเนื่องมันเป็นโรคจิตด้วยนะเออคือมันออกมากเนี่ยมันไม่ไม่สนใจแล้วมันหาเหยือ่อย่างเดียวฆ่าคนไปเรื่อยจิตใจมันผิดมนุษย์มนาพวกนี้อลัลลอฮฺปิดหัวใจมันมแล้วต่อมาอาลัลลอฮฺบอกว่าเออ มันอีลาหุนกอยรุ่นลอยะตีกุมบีใครเล่าคือพระเจ้าอื่นจะเอาลอที่จะนำมันมาให้แก่พวกเจ้าได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไหมทําให้หูเราได้ยินให้ตาเราได้มองเห็นไม่มีอลเอาลออย่างเดียวเอาลอทําให้ตาเราได้มองเห็นทําให้หูเราได้ยินทําให้สมองเราได้คิดใครควรคิดพิจารณา นะและการรักษาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมัมนทั้งหลายมันก็คือการไม่ใช่การเปลี่ยนนะจริงๆแล้วถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่เหตุที่ว่าตามองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดจากบางอย่างมันไปกั้นอยู่วันก่อนมีคนคนหนึ่งฉันเจอที่โรงพยาบาลเป็นต้อต่อในตานเนี่ยผ่าทีละข้างนะผ่าทำสองข้างไม่ได้หรือไงไม่รู้ทำทีละข้างพอทำข้างเดียวเท่านั้นแหละ มันเหมือนกับโลกนี่สว่างไปครึ่งหนึ่งจากขับรถกลางคืนไม่ได้ทํำอะไรไม่ได้เลยมันมีอะไรมันกั้นไปหมดเลยพอไปลอกตาออกเท่านั้นแหละมองเห็นชัดเลยแสดงว่าตาเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ของมันแต่มันมีไอตัวกระจกอะไรสักอย่างเนี่ยม า, มากั้นเอาไว้ก็เลยลอกพอลอกเสร็จมันก็ก็ใช้ได้ไม่มเพียตาเสียคือจอประสาตาเสียนะ่ะจบเลยยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ ขอตากีมาใส่ตาฉันไม่ได้อหูก็เหมือนกันถือถ้าหูหนวกมันแก้ไม่ได้ถ้าใครหูหนวกแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินอ๋อแมวฮะทำไมหูไม่ได้ยินเกิดจากอะไรถ้าหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากระบบการได้รับเสียงมันใช้ไม่ได้อันนี้คือเรียกหูหนวกตลอดชีวิตหูดับไปเลย แต่ถ้าเกิดมันเกิดจากอะไรแก้วมันไปไปอักเสบขีหูมันไปน้ำหนกักอันนี้รักษาได้รักษาได้นะเนี่ยเราบอกว่าไอ้ที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินเนี่ยมีพระเจ้าอื่นทําได้ด้วยเราเอาล็อเท่านั้นแหละนะอัลนัมดุดิละจงพิจารณาดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่เราแจกแจงอายะทั้งหลายและพวกเขาก็หันเหออกไปอายะที่ี่สิบเจ็ กุลอัอไอตกุมไอแด่จงกล่าวเธอมอววัดว่าเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าอินอตากุมอาจาบุลล่อ um หากการลงโทษของอัลลอฮ์มายังพวกเจ้าโดยกระทันหันนะหรือโดยเปิดเผยนั้นจะไม่มีไม่มีใครถูกทำลายนอกจากบรรดากลุ่มชนที่อาธรรมเท่านั้นโดยเฉพาะย่งสมัยก่อนนะ เอาล้อเก็บเป็นเป็นโกรมเป็นโกรมเลยโกรมก็คือกลุ่มชนเลยแต่คนดีรอดไหมหมายถึงน บ, บีนุ่นสิเอ า, าสอนุน บ, บีนุ่นเนี่ยรอดไหมคนดีคนดีก็ขึ้นเรือไงกีไม่รอดอยังไงล่ะรอดหมายถึงในสมัยก่อนที่เอาล้อจัดการกลุ่มรูดอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนศรัทธาเนี่ยน บ, บีรูดก็ให้น บ, บีรูดน บ, บีลูดก็ให้อพยพมาส่วนน บ, บีนุ่ก็ให้ขึ้นเรือเวลาเอาล้อจะลงโทษเนี่ย อันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะที่คือเรียกว่าถอนรากถอนโคนเนี่ยอลัลลอฮ์เอาคนดีออกมาคัดออกม า, ออกมาแล้วก็ลงเก็บเกี่ยงแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีแบบนี้เวลาอาลัาลลอฮ์ลงไอ้คนดีโดนไปด้วยอันนี้ไม่มีนะไม่แยกแล้วอดีตสมัยนี้นี่คือถ้าลงปั๊บไอ้คนดีลงไปด้วยแต่เหตุที่คนดีโดนเพราะไม่เตือนไม่บอกไม่สอนนี่น่า ก, กลัวนะดังนั้นอีกวิธีหนึ่ง ขั้นสุดท้ายแล้วเอาไมา่อยู่แล้วทำยังไงเอาไม่อยู่แล้วทำยังไงก็เอาไมา่อยู่เลยใช้วิธีนบีนบีทําไงฮิจาร้อสี่ก็อบพยพมาอยู่กับคนดีๆคือต้องสอนก่อนนะนบีสอนอี่สิบสามปีนะเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ก็ฮิจารอมาและหลังจากนั้นก็กลับไปไปจัดการใช้อำนาจจัดการนะครับอาจารย์มาแล้วนะอาจารย์เชิญครับใ่กลุ่มจะ อ่อีกสองอายะอะไรกุสล ม, มเชิญครับอาจารย์อีกสองอายะจบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ่าอายะที่สี่สิบแปดและเราจะไม่ส่งบรรดาศาสนาทูตมานอกจากในฐานะผู้ที่แจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวร้ายศา ส, สนาทูตก็คือบรรดารอซูนเนี่ย ไม่ได้มาให้คนนั้นศรัทธาได้ค น, น, นมันขึ้นอยู่กับหัวใจเราเนี่ยเราจะรับหรือไม่ยอมรับแต่ศาสนาทูตมีหน้าที่ในการนําวาฮีมาบอกวาฮีเนี่ยมีทั้งข่าวดีก็คือสวรรค์ทําความดีได้หนึ่งสองสองข่าวร้ายก็มีคนที่ทําความชั่วจะได้ถู ก, กจะมีการลงโทษแบบหนึ่งแบบสองแบบสาอยู่ในนรกมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายดังนั้นผู้ใ ด, ดที่ศรัทธา เขาศรัทธาเขาจะอัสละหรืออิสละ่ะอัสล่หมายถึงอะไรปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้หมายความว่าพอศรัทธาปั๊บแล้วจะดีเลยนะพอศรัทธาเสร็จปับ๊บต้องมาพิจารณาตัวเองดูว่าเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและหลังจากนั้นใช้อะไรใช้วิธีการอิสละ่ะปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆบางคนสิบปี บางคนยี่สิบปีบางคนสองเดือนมีใช้เวลาพี่น้องมันไม่มีหรอกสร้างกรุงรวมภายในวันเดียวแป๊บเดียวดีหมดเลยไม่ใช่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเรเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนเมื่อสิบปียีสิบปีที่แล้วหัวเรายังแดงอยู่เลยหัวแดงอยู่เลยปัจจุบันนี้อัลฮัมเลยละฟังศาสนากันทุกวันทุกวันอิมานเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะหมายถึงเมื่อก่อนไม่ได้คุมหัวไงสมัยก่อนเป็นสาวๆอ่าอัส พอเราอีมานต่อแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะฝ่ลาเขาฟุนอะไรหิมเราก็ไม่มีความกลัวอะไรแล้วความกลัวตรงนี้หมายถึงว่าอาซาบต่างๆที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เนี่ยเราก็ได้ปิดรอยรั่วต่างๆแก้ไขปรับปรุงต่างๆรอรับรางวัลจากอัลลอฮ์ سبحانه แล้วก็จะไม่เกิดความเสียใจใดๆโดยเฉพาะเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะ พบกับรางวัลของเรานะวันลดีนะกาซาบูบีอาญาตินะและบรรดาผู้แต่ปฏิเสธอายะต่างๆของเรายามัสูหูมุลอาดาบุบีมาแกนูยาฟสุกูนใครที่ปฏิเสธอายะองค์การต่างๆของเราปฏิเสธกุรานปฏิเสธสุนนะของท่านนบีปฏิเสธหลักธรรมคาสอนในอิสลามการลงโทษก็จะประสบกับเขา และเหตุที่ประสบกับเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาทําความชั่วเพราะเขาไมได้ทําความชั่วนั่นความชั่วเนี่ยหลายหลายอย่างอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วในก่อนหน้านี้ว่าชัยตอนพยายามไสเยนประดามประดับประดาความชั่วให้เป็นของดีเห็นไหมหลายหลายเรื่องที่ฉันบอกไปแล้วพวกผิดเพศกลายเป็นของที่แบบเจริญแลว้วพัฒนาแลว้วอยู่นอกกรอบแลว้วคนที่ยังอยู่ใน อยู่ในเพศหญิงเพศชายนี่ยเป็นคนโบราณคนเก่าคนคําคือพยายามพับเปลี่ยนทัศนกะติใส่เข้าไปในหัวสมองของวัยรุ่นโอ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องแต่งตัวแบบเปิดเผยจะไปปิดแบบคนสมัยก่อนไม่ได้เราต้องเปิดเผยร่างกายเป็นของเราเปิดเห็นเต็มที่แม้กระทั่งกฎหมายที่จะออกมาเรื่องของการพ น, านันการค้าการขายตัวอะไรต่างๆสโสมเพนีก็พยายามไปอธิบายให้มันสวยงามเป็นสิทธิ อธิบายคํำว่าสิทธทิในร่างกายเรามีสิทธิ์ในการที่จะนุ่นจะนี่นี่แหละเชยตอนมันพยายามเปลี่ยนไอ้ความชั่วต่างๆเนี่ยให้เกิดเป็นความสวยงามมันก็มีคนพูดอยู่เยอะเลยนะพี่น้องพูดไอ้เรื่องความชั่วให้เป็นสวยงามได้เนี่ยนี่แหละคือพวกเชยตอนดังนั้นใครที่ไม่ได้ยึดตามกุรานตามฮะ ด, ดีษตามแบบฉบับของท่านนาบีแน่นอนว่าพวกเขานั้นอยู่ในการทําความชั่วและการลงโทษของเขาก็จะมาสบประสบกับเขาในบั้นปลายชีวิตของเขานะครับ سبحانك اللهummah ب ح م د د أ ل إله إلا أنت أ س ت ف ر ك واتوب ل ا س ل ا م ي ك ر ح م ة الله و ب ر ك ا